วานได้ทอความที่อาจารย์ท่านหนึ่งส่งมาเมื่อวานเนี้ยนะเขาอยู่แถวชานเมืองแล้วก็เรียกแท็กซี่นั่งแท็กซี่แล้วจึงรู้ว่าแท็กซี่คันนี้เนี่ยนะ เขียนป้ายติดไว้ที่หน้ากระจกว่าบริการฟรีนะผู้ที่จะไปสนามหลวงนะก็คงจะหมายถึงใครที่จะไปอะขอรบพระบรมศพนะเขาก็จะส่งฟรีผู้โดยสารก็เลยถามแท็กซี่ว่าเนี่ย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 สอนแล้วไปถามเลยนะว่าจะไปสนามหลวงหรือเปล่านะเพื่อนก็ถามต่อไปว่าเนี่ยแล้วยุงทำยี่มานานเท่าไหร่แล้วแตกก็นั่งคิดหรืก็บอกแเกดือนแล้วก็คือตั้งแต่ที่เริ่มเปิดให้มีการครพพระบรมศพนะเพื่อนก็เลยถามต่อไปว่าเนี่ยโ้หต้องแปเก้าเดือนเฉลิส น, นี่ ตอนนี้แท็กซี่ที่เขาส่งฟรีเนี่ยมันก็มีน้อยลงแล้วนะลงยังยังทำแบบนี้อยู่อีกหรือแกก็ตอบว่าก็เพราะคนนะแท็กซี่มีน้อยแล้วน ะ, ะก็เลยยิ่งต้องรีบทำใหญ่หรือยิ่งต้องทำใหญ่นะเพราะว่าคนที่จะช่วยพาคนซึ่งบางทีเป็นคนต่างจังหวัดเนี่ย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 อ่าหนูเนี่ยไปสนามหลวงบ้างหรือยังนะตอนนี้ได้ขเขาก็จะปิดนั่นนะปิดการเขาหลวพ่อเบรมศพเนี่ยเดือนกันยานะี่เ <c oughs> พื่อนสาวก็บกหนูไปแทบทุกเดือนเลยนะแต่ช่วนี้ไม่ค่อยได้ไป น, นะลุงก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าจะไปเมื่อไหร่นะโทรบอกลุงได้เลยนะเดี๋ยวให้เบอร์โทรศัพท์ไปเพื่อน <c oughs> ก็เลยบอกว่าโอ๊ยไม่หรอกนะเพราะว่าหนูรู้ทางดีไปคล่องละ นะบริการคนที่เขาไม่ค่อยรู้ทางดีกว่านะแล้วก็เพื่อนเขาก็จดน ะ, อะขอถ่ายรูปนะถ่ายรูปแท็กซี่คนนี้นะเพื่อจะได้บอกต่ อ, ตอกันไปเป็นการชื่นชมอนุมโมทนาความดีแท็กซี่คนนี้ก็ชื่อเสมอนะทามสุนสาลีนะเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ คือพื้นแพลคงเป็นคนชนบทแล้วก็อ า, อาจจะเป็นชาวนาวชาวไร่ยดยซ้ำนะคนชนบทหลายคนเนี่ยนะอพอถึงาบางที ท, าทํานาทําไร่ไม่ค่อยได้เงินเท่าไหร่นะก็มาเป็นแท็กซี่อันนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างคนทําทดีนะซึ่งน่านุ่มมัทนามากอย่างนี้อะไรที่เราเป็นการทําบุญนะ การทําบุญเนี่ยนะมันไม่จำเป็นปว่าต้องมาวัดนะเป็นการทําบุญที่ไม่ต้องใช้เงินเลยก็ได้นะแต่ว่าก็ต้องเสียสละเสียสละทั้งเวลาเสียสละทั้งค่าแก๊สนะแล้วก็เป็นการทําบุญที่ไม่คิดจะไปโฆษณานะหรือว่าไปประกาศว่าฉันทําอย่างนั้นฉะันนี้นะเดี๋ยวนี้หลายคนเวลาทําบุญก็ต้องถ่ายรูปนะอัพขึ้นเฟซนะครับนะ เป็นการประกาศว่าเนี่ยฉันทำบุญแล้วน ะ, ะเพื่อนเพื่อนช่วยกดไลค์ให้หน่อยนะแต่ก็มีหลายคนนะที่เขาทำบุญแบบปิดทองหลังพระนี่เป็นการทำบุญที่คนไม่ค่อยนึกถึงเท่าไหร่นะแต่ว่าควรจะทำกันมากๆแล้วก็น่าคิด น, นะว่าแท็กซี่คนนี้ก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะที่จริงก็อาจจะพออยู่พอกินเลือาจจะถึงขั้นยากจนก็ได้นะแต่ก็มีน้าใจนะ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 ก็ยังอุตสาหะคืนสมเจ้าของนะขณะที่คนรวยเนี่ยนะยิ่งรวยมาเท่าไหร่นี่บางทีน้ําใจก็ยิ่งน้อยลงนะจะว่าไปแล้วเป็นเพราะมีน้ําใจน้อ ย, นยถึงรวยนะเพราะว่าถ้าคนมีน้ําใจนี่เขาก็จะมีจะสละจะให้ทานจะแบ่งปันนะอยู่เนืองเนืองจึงไม่ค่อยร่ารวยเท่าไหร่นะ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็ควรจะเป็นนะแรงบันดาลใจหรือแบบอย่างให้กับพวกเรานะว่าเวลาทําความดีเนี่ยไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนเราก็สามารถจะทําดีหรือทําบุญได้ทั้งนั้นเมื่อวาอนนี้ก็มีคนส่งเรื่องราวของอีกคนหนึ่งมาให้นะอันนี้ก็เรียกว่าน่าประทับใจมากนะแต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสักเจ็ดสิบแปดสิบปีที่แล้วสมัย ประมาณพันเกรอยสี่สิบนะก็คือสมัยสงครามโลกที่สองเจ็ดสิบห้าปีได้เป็นเรื่องของชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งนะชื่อชิวเนะสึกิฮาระเรื่องราวแกน่าประทับใจมากนะแกเป็นกงสุดใหญ่นะที่ริทูเนียริทูเนียตอนนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของรัเสเซียนะตอนนั้นรัเสเซียกำลังทางสงครามกับเยอรมันนะที่จริงเยอรมันเนะี่ยทำสงครามกับรัเสเซียมากกว่าบุกเข้ามานะ จะยึดครองรัเสเซียแล้วก็รัเสเซียก็สู้นะแต่ว่าทํำท่าจะแพ้คนที่ริทูเนียเนี่ยจํานวนมากเป็นชาวยิวแล้วคนยิวนี่ก็รู้ว่าเยอรมันเนี่ยนะเขารังเกียจมากนะชาวยิวเนี่ยแล้วถ้าเยอรมันเนี่ยยึดครองรัเสเซียมาหลายนี้ชาวยิวนนเนี่ยในลิทูเนียรวมทั้งในรัเสเซียก็ตายแน่นะเขาก็เลยไม่รู้ทําไงเลยต้องหาทางลีพไพร ชื่อนี่ยเขาเล่าว่าเนี่ยตื่นเช้าวันหนึ่งขึ้นมาพบ ว, ว่ามีคนริทูนเนียเนี่ยเชื้อสายยิวเนี่ยประมาณสองร้อยคนเนี่ยลุมล้อมอยู่หน้าอ อ, อยู่กันที่หน้าบ้านเขาถามว่ามาทําอะไรนะบอกจะมาขอบีซ่าเนะี่ยมาขอบีซ่าเพราะว่าขืนอยู่ริทูนเนียนะมีโอกาสตายแน่ถ้า เ, เยอรมันเนี่ยครองรัเสเซียได้ คนเรที่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีพา ส, สปอร์ตนะนะไม่มีพาสวะไม่ม่ไม่มีเอกสารอะไรเลยเนะชิญเน่ก็เลยโทรศัพท์ไปติดต่อไปถามทางรัฐบาลนะกระทรวงต่างประเทศว่าจะทํำยังไงดีกระทรวงต่างประเทศก็ไม่ยอมนะบอกว่าถ้าไม่มีเอกสารนี่ให้วีซ่าไม่ได้แต่ชิวเน่เนี่ยเขารู้ว่าคืนคืนไม่ให้วีซ่านี่คนพวกนี้ตายแน่ แกก็ เ, เลยยอมนะยอมทําผิดระเบียบนะให้วีซ่าทุกคนเลยจะมีพาสซ้อมีพาสปอร์ตฉันก็ให้วีซ่าสมัยก่อนเนี่ยวีซ่าต้องกรอกเองนะต้องเขียนเองด้วยมือเนะี่ไม่ใช่มีแบบฟอร์มนะเชิญแ น, น่กับภรรยานี่ก็กรอกนั่งกรอกนั่งเขียนนะจดหมายให้วีซ่าเนี่ยเรียกว่าทั้งวันนะ แล้วก็กลังคืนด้วยวันหนึ่งประมาณสิบแปดถึงที่สิบชั่วโมงนะวันหนึ่งก็ได้แค่สองร้อยใบนะแล้วปรากฏว่าคนที่มาขอวีซ่าเนี่ยที่เป็นยิวเนี่ยไม่ใช่มีแค่สองร้อยนะมาทุกวันมาทุกวันนะตอนหลังเนี่ยเป็นพันนะเรก็พยายามเขียนพยายามเรียกว่าทำเวลาเพราะว่าเวลาเหลือน้อยแล้วแถมรัเสเซียยังประกาศปิดสถานทูตอีกนะ แกก็ไม่ยอมปิดสถานทุนนะไม่ยอมปิดสถานกงศุลขอต่อรองขออีกยี่สิบวันนะต่อรองทำไมเพื่อจะได้มีเวลาเนี่ยออกวีซาวันละสองร้อยวันละสองร้อยเนะจนกระทั่งครบกำหนดแล้วนะว่าจะต้องปิดสถานทุนนะแล้วรัฐบาลก็เรียกกลับนะแล้วแกก็ยังวันสุดท้ายแกก็ยังยังออกวีซานะไม่เสร็จนะคนยังที่มารออยู่ก็มีมีรอเป็นร้อย แกก็เขียนทําบีซ่าในขณะที่นั่งรถเนี่ยไปสถานีรถไฟนะพอไปถึงสถานีรถไฟก็นะก็มอบนะจดหมายมอบบีซ่าให้แต่คนยังก็มีอยู่เยอะนะทํายังไงดีนะคือนรถไฟไปแล้ว <c oughs> แกทําไงรู้ไหมแกเขียนเซ็นชื่อในกระดาษเปล่านะแล้วก็โยนให้คนที่รอรอบีซ่าอยู่บอกไปเขียนเองไปกรอกเอง นะแล้วก็โยนตาตาเรียกประทับตราของสถานกงศุลให้ด้วยบอกไปปั๊มเองเลยนะคือแกช่วยจนเรียกว่านาทีสุดท้ายนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ปรากว่าสิ่งที่แกทำเนี่ยมันก็ช่วยคนได้ประมาณ6 0 0ันคนได้นะเประมาณว่าคนที่สามารถจะรีภัเนี่ยหลอดขนเงื่มมือของนาซีเนี่ยประมาณ6พันคน คือ ถ, ถ้าโยนรูทเวเนียคงจะตายนะแล้วเรื่องราวของเขานี่ก็ไม่เป็นที่รู้จักนะตัวชีวเนเนี่ยตอนหลังก็ก็ต้องลาออกนะจากกระทรวงต่างประเทศเพราะว่าทำผิดกฎระเบียบร้ายแรงหลายข้อเหลือเกินนะนะมีที่ไหนให้วีซ่ากับคนที่ไม่มีพาสปอร์ตนะนะแล้วก็แถมนะยังเซ็นกระดาษเปล่านะแล้วก็โยนอ่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 ต่หลังพอเขาตายเนี่ยถึงเป็นเรื่องราวหรือวีรกรรมเขาจึงเป็นที่รู้จักว่าโอ้เข้าช่วยคนได้เยอะเลยก็มีการสร้างอนุสาวรีย์นะให้กับเขาเนี่ยที่อิสราเอลที่ลิทัวเนียแล้วก็แม้กระทั่งในญี่ปุ่นนะเป็นที่รู้จักก็ตอนที่เขาตายไปแล้วนะก็เรียกว่าเป็นวีรบุรุษนิรนาม น, นะคือทำความดีแต่ไม่มีใครรับรู้นะซึ่งก็ไม่มีใครรับรู้แต่ตัวเองรับรู้เองว่าได้ทาตามมโนธรรม ผิดระเบียบนะแต่ถูกมโนธรรมเนี่ยอันนี้สำคัญกว่า